เทศอบรมพระวันที่หกรกฎาคม2521นี่ปลุกใจดีมากนุ่มนวลพูดให้ยึดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นหลักปฏิบัติหลักนิสัยพระสาวกเมื่อบวชแล้วท่านเจ้อกับการต่อสู้กับกิเลสทุกๆุกอริยาบทไม่ลดละแต่พวกเราไม่เห็นเจ้ากับกิเลสกันบ้าง จิตมีทางสั่งสมกิเลสได้ทุกขณะที่เผลอสติใครไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานจึงไม่กระตือลือล้นกับนิพพานเหมือนกับกระตือลือล้นไปตามกิเลสกิเลสไม่กลัวพระที่ศรีรษะลนล้นเพียงเท่านั้นแต่มันกลัวสติปัญญาความเพียรเท่านั้นคนโง่ชมเชยสิ่งที่ต่ำคนดีชมตามความจริง ไม่เหอไม่ตื่นเงานี่ฟังอัดได้ทั่วไ ป, น, ไปไ น, นั่งอยู่กับไปอมลิ้นอมฟันหรเฉยนกกันต่ต้องเงยงกนนั่งตั้งมาอยู่กับจิเยื่อนรอยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเยื่อนลอยยื่อนลอแท่ไม่ได้ แม้ขณะภาวน า, วนาก็ยังเลื่อนลอยเราจะหามากผลนิพพานที่ไหนว่าคนนีพพา น, ไ, น, า น, นาไม่ได้อยู่สถานที่เลื่อนลอยไม่ได้ทำเลื่อนลอยมันเข้ามันได้เลยถ้าคิดถึงเรื่องบุตรการนี่นั่นหนะักเป็นเครื่องทําใจของเราให้กล้าหานชางใช้ให้ดูดดื่ม พระพุทเจ้าคุณพระองค์แรกทรงฝ่าอุปสรรคนานๆานประการเกเป็นเกิบตายผู้นี้มาถึงได้รู้เป็นประพุทธเจาขึ้นมาเราถือท่านเป็นตัวอย่างถือท่านเป็นเมตติบบฉบับย่ถือผู้ใดที่มีมมที่หลืกมากกว่า ถือว่าพุทธาาทเจ้าการทำพระสงอย่างการคิดชนิดกับใจพระสงฆ์สาวกเราก็เห็นอ่านในประวัติของสาวกไม่ว่าองค์ใดมาจากสกุลใดไม่เอ า, เอเายื่นราวนิพนธ์นิสัยของสกุลนั่นๆหมาชา้างมาเอาหลักธรรมหลักวินัย เป็นคติตัวอย่างเป็นเจดิตนิสัยไปเลยทายเทออกมั้งเจดิติไสที่เคยเป็นมาจากภาวะเกี่ยวกับบวงสมบัติปตะสานความเป็นผู้ใหญ่น้อยเป็นผู้มีอำนาจอะไรนู้นตัดออกหมดไม่เยอะเลมัดสร้างเอาอใหม่ซึ่งเป็นเจดิตนิสัยที่กลมคืนกันด้วยธรรม พระมหากระสัที่ออกบวชต่ขั้นพิการ์มีไม่น้อยทีกิดุงพินิจพระพาปประชาชนจนกระทั่งคนทุกร้านเห็นใจพระพุทธเจ้าทรงรับเป็นอุปถัมภาาคนถาหมดไม่เห็นแต่ว่าคนนั่นมั่งมีคนทุกจนโตไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทำให้ความสมภาช่าให้ความรุ่เร็นง เ, เกียดทุกหัวใจ ไม่ได้ไปหาความร่เย็นแต่เพราะคนมั่งนีซึ่งอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งทำไม่ใช่วัตถุทำเพื่อจิตใจถ้าจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดไไกกีไม่ช้าเนี่ยเราฟูบงการทหารออกมามีนักหนังมาเล่าจะไม่ถึงกับมาเพราพูดนี่นด็กลิ่นเราเราเบื่อ เขามาพูดกันนะบอกเคยมาหาท่านหลายคนแล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้อยู่อ่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเล่าลรื่องพานให้ฟางมาก็พวกนี้แหละหลายคนด้วยกันลารนั่งพรานนาดมักโยกครอที่ทำยังไงเพราะว่าอะไรนั่นเวลาจำได้อธิบายะไรตง แต่แเราคืออันนั้เป็นเถตุตีนกับบางคนอแต่งานของโลกเขาก็ยังมีโยกมีครงานภานาไม่ใช่งานคนตายผู้ภาว น, น า, าไม่ใช่คนตายทําไมจะกระดดกระดิกมีโยกครอนบ้างไมได้งานเลื่อนไม้สายขบงานฟันมีดฟันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัว ไปตาม air, จังหวัดของการทำงานนั้นๆหินแบบนี้สนัน้อนกรรมอาหารด้วยนามเหล้าเมาเหล้าจนหัวพักนองไม่เห็นตหน่กันงานมโดยย่อดอกควันและารนี้ามีก็ทำหนี้ต้นที่มันกังโครดด้วยอะไร ก็จะเจ็บจะบ่ า, าเราเมาจนหัวแน่หนัวแกติไม่อยู่กับตัวไม่เห็นต่ำหนิกันยังขนาดเป็นบ้านหรือที่ะะมีต่ำหนกันเอาว า, อางนที่คนเราพิจารณาไม่เป็นอันเป็ น, นรรมไม่เป็นความสนับสนุนถ้าเป็นทางดีแล้วค่อยต่ำหนิกันถ้าทําไม่ดีก็ไม่ตม่ำหนีิก เหมืนเรา่งนเรื่องกระตะกุบาลไม่ท้าคนเดียวแล้วออกบวชปสักหนึงีกลับมานั้นคนท้าเอาอาหารที่บูทีเสียแล้วไปทิง้งท่านแม่ทิ้งมือหมอตะบานี่ดีกว่าจะไปทิง้งกัน คนท่านคนนันเขาก็มองดูหน้าเอ้ยเล่าให้ทางหน้าทางเหมือนกับสกูบาล์โอเหมือนอ่าไม่ใช่รัฐบาลเหมือนเหมือนรัฐบาลนั่นท่านนาห่วงใหญรุ่นวายตระกุณอะไรดูดิบินะบารมาธรรมดานท่านผู้มุ่งมัดมุ่งธรรม ต้องไม่สนใจไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับโลกสงสารกับสกุลนั่นสกุลนี้มีความหลักแน่นในธรรมเสมอผู้ที่จะตอบถอนกิเลสข้างพุทธบาลข้างพุทธการองค์ไหนบวดมามีแต่จากันแก้กิเลสมนอหมดอดพิชฌมวดคุณที เ, ทเทจ่อกันเลย ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีดตบเวทีลงไปเนี่ยเราไมือนเจ้าขเขาิดว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตบเวทีส่วนมากมันขึ้นไปยังไม่เหยียบบนพื้นเวทีถูกพิเดี่ะมันเตะหงายไปแล้วมันไม่มีค่าต่อสู้เลยถูกมันต่อยเขาก่อนอต่อสู้กันมั่งค่อนเชื่อ เราคิดถึง ส, รงสารน้ำคำถามเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับสิ่งอื่นเรามา อ, าาอัตหาธรรมในเวลาเนี้ยเรามาถอดถอนสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในหัวใจเรามีในเรื่องโล ก, กมีตแต่เรื่องอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในหัวใจเราไปสนใจกับมันธรรมันของเราก็มีอยู่แล้ว ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังสมบัติประทานแล้วก็เคยมีมาแล้วอาศัยด้วยตนันวันทั้งนั้นเกิดสารตั้งยอกันมันก็เคยมีมาจนแต่ดั้งเดิมโลกสมมุติมันก็ต้องเกิดสารตั้งยอกันเพราะโลกสมมติโดยวัตถุมีเขาเป็นหน้ามันเคยมามีอย่างนั้นดั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วควก็ มีติดขี้นิ่งทานมียกย อ, ยกยอชนนิสเปิกสัรปันย อ, ด อ, อนนนกันขึ้นทำมานาเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงเรื่ดองเปิกสัรปันยอเราอย่าไปหลงความับความสร้างเครือให้ผลให้ประโยชน์อะไรแก่เราว่างผลเมมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเขาเห็นมีความสุขขึ้นเรืมีความสงบเย็นใจไม่วุ่นวายให้มีความ ถึงกับให้เกิดความโปร่งใสเพราะความลื่นเริงมนเดินกับสิ่งเหล่นั้นบางเวลาจะเกิดความโปร่งใสเกิดความสงบเพราะควารปฏิบัติธรรมนี่เวลาจะได้ถุกมีความสมา ง, สงบเย็นใจเพราะเพราะการปฏิบัติธรร ม, ต, ม, ม, ม, ต, ร ต, รมต่างๆไม่ใช่เพราะความฟุ้งเเหื่อมคิดพเนีย้ยลุกเนี่ยสงสารซึ่งเป็นการ ส, สังสงิเละโดยไม่รู้ตัวอืใจของเรานี่มันไม่เลือกการกระฐานที่อยาบดนะ ให้เข้าใจไว้ว่ามันสั่งสมที่เด็ดได้ทุกทุกระยะไปทุกๆุกขณะไปถ้าเราเฉยเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมที่เล็ดได้นั่งภาวนาอยู่มันก็สั่งสมที่เล็ดได้เรียบททั้งสี่นทุกเวลามันมีทางสั่งสมที่เด็ดได้ทั้งนั้นถ้าเราเฉยตัวมือ ต้องตั้งสติว้ในการักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกข์มีลำบากไม่ฉะนั้นก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้เราไม่เฉยเรามีสติสตั้งพายายามต่อสู้กับสิ่งที่เคยเป็นขสุดต่อเราซึ่งอยู่เนื้อหัวใจเรามานาที่ยาามแก้นี้ ใครไม่เคยเห็นเรื่องผผนักปุญญภางจึงไม่กระตือร้นเคยเห็นสิ่งที่เคยมีในโลกนี้คือปากัน ก, นกนระตือร้นะิ่งที่ก็ไม่เคยเห็นเราไม่ทราบกระตือร้นยังไงเราที่ไม่เคยเห็นก็าตามเราเป็นผู้อยู่ใกล้ที่ต่อรับนาาักธรรมเป็นผู้ปฏิบัติโล แต่าว่าเรายังไ่เห็นความรู้สึกรักศีลดิจิตถึงทำถึงกับขั้นปฏิริร้อนกับต่งางให้เราเริ่มจิตของเราด้วยกิจภรรมมาโดยความมีสติเอาจิ้งออกการตั้งแใจทำให้เป็นเมตตุนเพราะให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นดมเนี่ยจิตมีความสงบตัวขาดแตอารมณ์ทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบนื้องต้น ขาดจากอารมณ์ในลำดับต่อไปนี่จะเป็นช่วงระยะหนึ่งก็าตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตไม่ต้องบอกอความสงบมีแล้วความเย็นใจความสุขมีมาอยู่ยิ่งจิตขาดจากอารมณ์ในขณะสมาธิไม่สืบต่อกับเรื่องอะไรเลยแล้อแต่ความมีร่วมรูนั่นแหละคือความสุขแ้ ทางด้านธรรมะเป็นความะ ค, ความสุขแท้นีไ ม, ม่หมายถึงแค้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งจิตที่สุดแห่งมรรคผิุปาแต่เป็นความสุขแท้ที่ไม่มีอะไรเพื่อแฝงด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขในทางโลกความหมายเทียบกันอย่างนั้นต่างหากเพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขแล้วพอจะมีแก่ใจและพอเป็นหลักฐานพยาน ยืนยันต่อทำเบื้องสูงขึ้นไปว่าจะต้องเป็นไปจากนี้ลหลักฐานร้านได้แล้วดูลแล้วเห็นแล้วความแปลกประหลาดของอาจารย์พันธ์จิตของเรามแม้ชั่วขณะเดียวเท่านี้พอพอให้เราคูมใจได้แล้วยิ่งในปฏิบัติให้ละเอียดละออล้กซึ้งยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไร กิจมันฆ่ามันมั น, ม, นมันซึ่งไปเองไม่ได้ว่าฆ่าธานีหรืออะไรล่ะครอันซึ่งซึ่งไปเแต่าไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้น่า บ, บวกก็อยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการไม่ทํำไล่ทำนาทาวัวทาสวนที่ถูกขายแพงทํทำราชการทาราชการเงินเงินเลยเป็นความสุข ถ้าไม่ทําสิ่งล่านี้ไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทําสิ่ ง, งนั้นแต่มันก็สั่งสมพืนไฟทีวิรียกปัญหาราคะขึ้านภาใน จ, จิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละนี่เมื่อสิ่งอย่างนี้สั่งสมตัวขึ้นมาผึกตัวขึ้นมาโดยลําหนับแล้วผลมันแสดงออกมาจะเป็นทุกข์จะเป็นอะไรนี่ นี่กราทุกทั้งใจมันมีอยู่ภายในจิมันเลือกว่าเป็นนักบวช ด, ด้วยคารวะเพราะไม่กลัวผ้าเหลื อ, ไลอลง ไ, ไม่กลัวขี้สารเลนโลนวิเศษทั้งหลายไม่กลัวกลัวแต่สะติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรกลัวเท่านั้นอันไนที่เกยกลัวเราต้องการจะถอดถอนวิเศษนึก คามประพฤติให้สิ้น้าลงไปอันใดที่เด็ดัวงเราต้องสังสมหรือเราต้องพยายามฝึกผลอบรมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความฉันนิฉันนาที่มีความแก่กล้าสามารถเช่นสติปัญญาเป็นสาคัญจิต ท, ที่ว่าแวกความแกนไปมากน้อยเฉียงไรก็าตามถ้าสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้ไม่ผาดโผน ไปตามอารมณ์บ้ากิเลสของตนที่ห้กห้ามอีกได้ก็คือสติกับปัญญาทุกก็ทุกเกิดจงตายนี่เราเกิดมาทำซ้ำซากเกิดกับตว์ก็คือความทุกข์นั่นเองเกิดก่อตามเป็นอยู่ก็ตามตายก็ตาม มันเป็นเรื่องขอ ง, ท, ท, ง, ท, ง ท, ทุกขังมันยิ่งยกว่าทุกขังอันเดียสัดจังชาติปุถุขาเนี่ยเกิดก็คงเกิดชาาปุทุกขาเกิดก็คือทุกข์การนำปุถุขังเกิดความตายก็คือความทุกข์นะท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งเนาะคือความทุกเนื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยแบดเคยหามเคยกระทพิบกระเพนม า, นววามรับฟังวัตถุเทือนมาแล้วทั้งนั้นมันไม่น่าสงสัย ยังมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่มีทุกขังอจิอิชาปัสสะความไม่เกิดไม่มีทุกยังไม่มีในหัวใจเราความสิ้นที่เล็ไม่มีทุกภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรานิพพานังปรมาณู ข, ขงังหรือว่าสาัพพาริเสสานิพพานอนุพาริเสสนิพพานสิ้นที่เล็ โดยสิ้นเชิงแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในขันที่เรียกว่าสัพพะริเสธอนิพพานและสิ้นจดเดณ์เนื้อโดยสิ้นเชิงด้วยขันนี้ก็เลสลายตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอนุพาะิเสธอนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่ใดขึ้นชื่อว่าสมมุติเนื้อละเอียดเพียงไรก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงนี้ยังไม่ยมีในจิตใจของพวกเรา แล้วปลาทั้งหลายทั้งชมเชย อ, อย่างยิ่งด้วยคนโง่คนโง่ท่านชมเชยสิ่งที่ต่ำสิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีปราทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลือดว่าเป็นของเลือดรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่คิดไม่เปลี่ยนไม่เสร็จไม่สัน ไม่บิดไม่เบี้ยวให้เป็นอย่างอื่นอย่างจากหลักความจริงที่มีดั่งแดิมไม่เหมือนโลกโลกเอาประมาณมาไดชอบอะไรก็เสร็จสรรันขึ้นมาเด็กสังเกตมาก็เหือกันเห่อกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำเหื่อกันหลงกันนี่ก็เพื่อเรื่องของกิเลสนั่นเองมันก็สแสดงให้เห็นนะสัจธรถ้าเราจะดูมันก็รู้มันทั้งนั้นดูธรรมกับกิเลสมั ไม่ฉากเดียวกันมันเห็นดูทำมก็รู้เรื่งของกิเลสด้วยไม่รู้เพียงแต่ทำเอาให้หนับมือลงไปถอยกลับมาความ ท, ท้อแท้ความแดงตามยถากรรมก็เป็นมาแล้วนานแล้วได้ผลเปลือกอะไรมีความจริงความชัางสร้งสติให้ดีอย่าลดจอนละอ่อนเอในความตั้งสติ มรรผลนิพพานนี่จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอนานาจของความภาคเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องือเป็นเครื่องมือสำคัญชันทะในอิธิบาทสิให้พอใจในความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานวิริยะเอาชันทะาพอใจวิริยะภาคเพียรอิจตะอย่าเอาจิตใจ สติห่างเหมจากจากความทิดที่มังสาจะีิจะพูดจะทำอะไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณารอบตัวอยู่เสมอไม่ว่าจิตมากาันไหนท่านเดียวกว่าอิทธิบตททั้งสี่นั่นก็จะพาที่ไหนอิทธิบตรทั้งสี่ทำมัญหาในหัวใจเราหาในตำลาก็มีแต่ชื่อ ตัวทธิบาทจริงไม่มีในนั้นฉันทะนี่จะอ่านหนัือเป็นฉันทะผู้ที่จะทําฉันท่าให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครทําไม่ได้หรอกวิริยะผู้ที่จะเพียนตัวหนังสือเพียงอ่านมันนังคงํากัิรยิยะวิริยะอย่างนั้นมันดูกับค น, นตัวฉันทะาวิริยะจิตต์กับมังสาตัวอธิบัทจริงอยู่ที่นี่ บําเพ็ญนี้ให้เต็มสมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจะถามได้ไงมันเพราะสิ่งเหงนั้นอยู่ที่นี่เม่อยู่ที่การนุ่นสถานที่นู่เวลาเมือ ง, ง, งนุ่นเมืองนี้เมือ ง, งไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่านกิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่การประกอบความเพียรเพื่อมรรผลนิพพานเราจะคิดึเแต่ หาแต่การกระทำที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับที่เด็กซึ่งไม่นิยมการกระทำที่นิยมแต่การสร้างตัวเองมันมีพลังรื่งแรงมากขึ้นใยครอบมมอนใจจัดโลกเท่านั้นเรื่องข อ, อ, อ, อ, องี่เด็กมีพลางเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะมีความเช่เดีตลาดสามารถทันกับเหตุการณ์ท่ีเ่เด็กที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราและสามารถตอดถอนนั้น เรื่องนับดักมันได้มีิบายวิธีการต่างๆของเราให้เล่นพ้นขวายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรความบักคากจากใจมันมีอยู่ทุกหย่มอมยามีทุกแห่งทุกคนทุกบุคคลทุกเราทุกทันเวลาอยู่ด้วยกันโอกาสที่จะพยายามประกอบความภาคเทียนตักตัวเราให้เต็มประสิทธังควยย า, ยามสามารถก็ให้มี่ทำเพี้ย ครวาอาจารย์ที่ให้คราอาจารสอนที่จะให้ถูกต้องแน่นยันหรืเป็นที่กินใจกับนิสัยของเรานั้นมีน้อยไม่ใช่จะมีอยูุ่กแห่งทุกคนทุกตะบลหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความพากเพียรก็เหมือนกันเพื่อจะได้ทสถานที่ที่เราต้องการไัเพราะเวลานี้ถึง เ, เวลาโลกเีนหนักจิดหายโลกเป็นสัตว์สิรจานโลกเป็นยักษ์เป็นที การปกอบความภาคความเพียรในสถานที่ใดก็ลำบากพวกมันเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของเพศเป็นอย่างนั้นะมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนมากทำมีอยู่ในสถานที่ใดก็ทําสถานที่นั้นบุคคลนั้นให้เย็นยเห็นกันดีชัดอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบ ก, ก็เทียบเอาโทษกับคุณมีอยู่ด้วยกันถ้าจะดูเห็นทั้งโทษทั้งคุณ เ่องของที่ เ, เป็นยังไงมันให้คุณยังไงบ้างเราก็พอทราบได้คนทุกทุกเพราะกิเลสมันนะถ้ากิเลสให้คุณนะโลกไม่ควรจะทุกข์ไควรจะบ่นกันไม่ควรจะเดือดร้อนกันนี่เพราะอํานาจของกิเลสมันให้ทุกข์ถ้าจะเห็นโทษทมันก็ควรเห็นถ้าจะลดหย่อนผ่อนเบาแม้ละไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีบาสติปัญญาเท่ารู้เท่าทัาทานพอที่จะตอบพร้อมเราจะเจอได้ก็ ให้รู้จะประมาณอห้รู้ความพอดีให้รู้วิธีลบดิบิดตัวอย่าให้มันเผาแล้วมีไม่มีอะไรเหลือเลยเหนที่ถูกต่อคู่กันบ้างแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละพวกคนที่เน็ตอย่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยให้คุณแก่ใครมีมากมีน้นอยประกดง ควาทุกข์มากน้อยขึ้นตามสาเหตุที่เ ก, เกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละนั่แต่พภายในหัวใจเราเขาเหมือนกันที่เด็ดที่มีอยู่ยนั่นแต่สติสตังขาดไปเมื่อไรแล้วที่เด็ดก็เลยสั่งสมกลัวขึ้นมาได้แล้วแผ่อํนนานาจแล้วนั่งภาวนาก็ตัวร้อนตรงดวงโยนโคมบอกให้เป็นธาต น่งสมาธทก็ไม่เป็นข่าเพราะมันไม่เป็นค่าอยู่ภายหนมันปัดมันแก่มันรุ่งเรืองมันวุ่นวายมันอึดหนาแล้วอาจียมันอ่อนแอไปหมดมีข้าวิเล้เข้าเหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วมันอ่อนเปียกไปหมดมันไม่มีความคืบขังตึงการที่จะประกอบความความเขียดเราทราบว่านั่นแหละวิเลศมันไม่มันยำนาจมันบังคับร่างกายจิตใจมาให้อ่อนตึง จะยกความเพียรก็ไม่ได้เดินยังกคมก็สัตบแต่ว่าเดินสติเลื่อนลอยไปไหนก็มีนั่งก็แต่ว่านั่งอมฟันอยงนี้ใจดีไม่ดีสับตะโงกงกมนั่นเนี่ยบททั้งจีวเจ้าของเข้าใจว่าเป็นความเพียรแต่มันเป็นเรื่องความเพียรเพื่อทั้งสมสิริ์แต่เสียโดยเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้เป็นความเพียรก็ถอดถอนสิริเพราะความมีสติ มีมนกาทุคามม ก, ทมมกทความมีสติเลยถอด้อนเลยสัมสุกิดเพอาะขาไม่มีสตินัอชอบคนงโง่คนเซอร์ธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญนามีศรัทธามีความเปีย น, ยยนยวเวลาีอยู่นี่ก็รีบประกอบมีความเปียนเน่นอนใจ อย่างนี้จากหลักสัจธ ร, รรมอย่นี้จากหลักสติปตัฏานอยู่กับที่นี่ทิ้งตรงนี้แหละมันปกครองห่นหอมมรรคผลนิพพานอยู่สัจธรรมสองประเภทคือทุกข์กอดมือไทยนี้เป็นเครื่องปกครองไม่มีการเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกครองเวทนาสุกเวกทนาเกิดขึ้นหนึ่งก็หลงก็ลืมตัวเสียทุกขเวทนาเกิดก็ลืมก็ลืมตัวเสี้ย เฉยเกิดขึ้นมันก็ลืมตัวเสียน้อยจิตการภานาจิตทำจิตไม่ทราบเป็นยังไงต้องพิจารณาทำมั น, มนทำอะไรกันเนมีมีนิวรณ์ทำเป็นต้นมันกระเตมใมนหัวใจแต่เราไม่รู้นิวร์เป็นยังไงเนี้แหละมันถึงปกปิดจิตใจหน้าอย่างนี้ เป็นมองหาจิตไม่เจอมีแต่รู้เดืเถอนแล้วความสว่างสาวายความเปรียวคลายภายในจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพศของพระกอบพระเถอะหาความสุขไม่ได้เลยนั่นเองทำให้สินาชีวิตืดถูกเขาเพียงทำให้จัดการงานมือมันเป็นความทุกข์ยากลบากเพราะการวิ่งเต็่ของขวายเหมือนโลกเขาก็ตามแต่จิตใจมันยิ่งเติ่ของขาย ว่าเอาไฟอุดค้นหาไฟมาเผาตัวเองนล้วมันจะเกิดความสุขที่ไหนถ้าจิตไม่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมณะของเราใจสงบได้มีสุขเริ่มมีสุขการคิดสายแสบในนี้ให้ต่างๆที่มันเคยคึ้นขนองมันก็สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบเป็นอย่างนั้นสงบก็มากเท่าไรก็ยิ่งปล่อยความกังวลภายนอกเข้ามาได้มาก ให้ปัญญาอย่างลงไปสิเมื่ออีกมีความสงบบ้างกอเป็นบาปเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นนนั้แล้วเร่งปัญญาพิจารณาคขี่คลาดูเรื่องนี้นจางทุกข์ของหน้าตาตววที่เต็มอยู่ในวันวะของเราทุกที่ทุกอัไม่เว้นเต็มทัหมดด้วยใจรักหนี้จางทุกข์ของหน้าตาอาการใดดิลักษณะใดของใจรักที่เหมาะกับจดิตนิสัยของเรากําหนดลงไปหนึ่ง ใจรักใจใจรักหนึ่งอาการหนึ่งอาการหนึ่งมันกระจายชัวย่วถึงกันหมดเรื่องนิจังทุกขังต่างเป็นตัวทำมาสติปัญญามีมันจะไม่ซึมเศ้าอย่างมันก็ถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้แล้วในเหล่าวิธีการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอย่างนี้แบ่พิดเลยๆนอนๆตรงนี้ตรงนี้ชิดลงในสัจธรรม ภพกสุโมไทยเป็นสิงปกติดกำลังจิตใจมักคือข้อปฏิบัติมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องบุกเบิกทางหรือเป็นเครื่องระงับดับวิเลสศโะเคเจงกายเป็นนโิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่า น, นี้ไม่มีอะไรทจะมากาั้นการเ ม, มื่อผลผ่านนอกจากภพกสุโมไทยเป็นผู้ขั้นกา ร, การซึ่งก็มีอยู่ภายใน จ, จิตใจของเรานี้เอง แล้วไม่มีอะไรที่ที่จะเป็นกลิ่นวิเศษวิสโสมาบูเบิกทางเดินเพื่อเอาผลนิพพานได้นอกจากมรกคสีนสมาธิปัญญาก็ไม่มีที่ไหนอีกเหมือนกันคำว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกข์จะมีอยู่ตั้งกับทางการทุกร้อนดุกันอยู่ตั้งกับทางการทุกชาติทุกบกหาที่สิ้นจบ จึงสุดจบสิ้นลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดแบบับมันด้วยเีตนาศรัทธาความเพียรสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญไม่มีทางดับได้นี่ความจริงเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อความจริงหรือจะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมันนานแล้วความปลอมนั้นเราไม่ขอถึงโทษ่งมันได้หรือ คำว่าฟังคือไม่จริงเรอไติตรบเวลาของจริงก็คือทำพอให้ได้ตรงนี้าการตัวเองกคนเพราะนั้นปัญญาอธิบายว่นี่รู้อยู่่ลยพูดเสียงดังไปเลยเขาค่เาได้ okay. ยินถึงกัน